วันนี้เป็นวันที่สาสเอดธันวาคมพุทธศักราช2 5 6พ้าบเดเป็นวันสิ้นปีเป็นวันสุดท้ายของปี2 5 6พ้าบเดเป็นเวลาที่ดีเวลาที่สมควรที่พวกเราชาวพุทธ ควรที่จะมาทบทวนดูพฤตกรรมพฤติกรรมการกระทําต่างๆของเราที่เราได้ทํามากันตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาดูว่าการกระทําของเรานั้นเป็นบวกหรือเป็นลบนะเป็นบวกก็คือ ะมีการกระทําที่ดีมากกว่าการกระทาที่ไม่ดีคือมีการกระทําบุญมากกว่าการกระทําบาปอย่างนี้เรียกว่าเป็นบวกเพราะบุญนี้เป็นเหมือนรายได้ส่วนบาปนี้เป็นเหมือนรายจ่ายเหมือนกับห้างร้าน ต่างๆพ่อค้าแม่ค้าผู้ที่ทำธุรกิจสิ้นปีมักจะมีการปิดงบกันมีการตรวจสอบบัญชีดูรายรับรายจ่ายว่าอย่างไหนจะมากกว่ากันถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายก็เรียกว่ากำไรเป็นสิ่งที่ดี ถ้ารายจ่ายมากกว่ารายรับก็เรียกว่าขาดทุนเป็นสิ่งที่ไม่ดีต้องแก้ไขเพราะถ้าปล่อยให้ขาดทุนไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ต้องปิดกิจการล้มละลายนั่นเองเพราะไม่มีเงินที่จะไปจ่ายหนี้สินต่างๆได้แต่ถ้าเป็น กำไรก็ถือว่าเป็นนิมิต ด, ดีของบริษัทจะอยู่ต่อไปได้อีกยาวนานเพราะมีกำไรมีเงินที่จะเอามาใช้กับค่าใช้ใจ่ายต่างๆได้ถ้าไม่คอยตรวจสอบเช็คบัญชีดูพอถึงเวลามลมละลายก็จะล้มละลายทันทีแก้ไขไม่ทันการ แต่ถ้ารู้เรื่องหน้าว่าตอนนี้บริษัทกำลังเดินไปสู่ความล้มละลายแต่ยังมีเวลาที่จะแก้ไขได้ก็ต้องมาแก้ไขที่รายรับรายจ่ายของบริษัทนี่เองต้องหาวิธีเพิ่มรายรับให้กับบริษัทแล้วก็คอยลดรายจ่ายต่างๆลงไปถ้าทำได้สาเร็จ ก็อาจจะกลับมากำไรต่อไปก็ได้บริษัทก็จะอยู่ได้ต่อไปไม่ล้มละลายฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นเหมือนบริษัทที่สามารถที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือสามารถล้มละลายได้ขึ้นอยู่กับรายรับรายจ่าย คือการกระทำบุญหรือการกระทำบาปของพวกเรานั่นเองถ้าเราคอยตรวจสอบบัญชีกันอยู่เรื่อยๆว่าปีนี้เรากำไรหรือขาดทุนเราทำบุญมากกว่าหรือเราทำบาปถ้าเราทำบาปมากกว่าทำบุญปีหน้าเราก็ต้องมาแก้ไขลดการกระทำบาป ให้น้อยลงไปเพิ่มการกระทําบุญให้มากขึ้นไปเพราะบุญกับบาปนี้จะมีอิทธิพลต่ออนาคตของจิตใจของพวกเราเวลาที่ต้องแยกทางจากร่างกายไปร่างกายนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องถึงวันตายพอถึงวันตาย ใจก็จะถูกบุญหรือบาปเป็นผู้จัดการต่อไปถ้าเรามีบุญมากกว่าบาปบุญก็จะพาให้เราไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆถ้าบาปมีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะเดึงให้เราไปสู่อบายที่ต่างๆนี่คือ อิทธิพลของบุญและบาปที่มีต่อจิตใจของพวกเราที่พวกเรามองข้ามไปไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามว่าบุญและบาปนี้มีอิทธิพลต่อการเป็นไปของดวงวิญญาณของพวกเรา หลังจากที่ร่างกายของเรานี่ตายไปแล้วดวงวิญญาณของพวกเราจะไปสุขคติหรือไปทุกขคติก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือบาปที่เรากําลังทํากันอยู่ในขณะนี้นั่นเองนี่คือกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎธรรมชาติเป็นกฎที่มีอยู่กับ ควบคุมจิตใจของพวกเราทุกๆคนไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามกฎแห่งกรรมก็จะทําหน้าที่ของเขาถ้าเป็นบุญบุญก็จะส่งให้จิตเราไปสู่สุขติไปสู่สถานที่ที่มีแต่ความสุขความเจริญถ้าบาป มีกำลังมากกว่าบุญบาปก็จะทำหน้าที่พาเราไปสู่อบายไปสู่ที่มีแต่ความทุกข์นี่แหละคือทำไมวันสิ้นปีจึงเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราควรจะหาเวลามานั่งทำบัญชีกันวิธีที่เราจะดูว่า บัญชีของเรานั้นบวกหรือลบก็คือเราดูที่จิตใจของเราเป็นหลักดูที่ความรู้สึกของจิตใจพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปใจของเราจะมีความสุขมากกว่ามีความทุกข์จะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ตั้งในขณะที่ตื่น และในขณะที่หลับจะมีความฝันดีมากกว่าฝันร้ายเวลานอนหลับถ้าบุญมากกว่าบาปบุญก็จะผลิตฝันดีบาปจะผลิตฝันร้ายถ้าเราฝันดีมากกว่าฝันร้ายแสดงว่าเรากําลังได้กําไรบัญชีของเราติดบวก กิได้บุญมากกว่าทำทำบุญมากกว่าทำบาปนอกจากดูที่ความรู้สึกแล้วเตินก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขนอนหลับก็ไม่ฝันร้ายหรือถ้าฝันร้ายก็ก็น้อยกว่าฝันดีเตินก็มีความสุขมากกว่ามีความทุกข์หลับก็มีความสุขมากกว่ามีความทุ ก, กขกก์ นอกจากนั้นเราก็จะดูได้ว่าเรามีมิตรมากกว่าศัตรูหรือมีศัตรูมากกว่ามีมิตรเนี่การทําความดีทําบุญนี้จะเป็นการสร้างมิตรสร้างมิตรภาพการทําบาปนี้เป็นการสร้างศัตรูเราลองดูบัญชีดูคนนั้นคนนี้ดูว่าคนนี้เป็นมิตรหรือเป็นศัตรูอ เราก็จะได้รู้ว่าเรามีมิจกี่คนมีศัตรูกี่คนนี่คือเราจะดูได้เพราะการทำบุญทำบาปมันจะส่งผลอย่างนี้ทำบุญจะทำให้เกิดมิจทำบาปจะทำให้เกิดศัตรูคนที่ทำบุญมากกว่าทำบาปจะเป็นคนที่มีมนุษย์และเทวดา รักชอบคนที่ทําบาปนี้จะมีคนเกลียดเทวดาทั้งมนุษย์และเทวดาก็จะเกลียดแล้วก็ถ้าทําบุญมากกว่าทําบาปเทวดาก็จะคุ้มครองทําบาปมากกว่าทําบุญเทวดาจะไม่คุ้มครองแล้วก็ถ้าทําบุญมากกว่าทําบาปจะไม่ตายด้วย อาวุธหรื อ, อยาพิษเคยจะไม่มีคนคอยปองร้ายแต่ถ้าทำบาปมากกว่าทำบุญจะมีคนคอยปองร้ายมากกว่ามีโอกาสที่จะตายด้วยายาพิษหรืออาวุธต่างๆเพราะเราสร้างศัตรูกันไว้มากนั่นเองนี่คือการวัดดูบัญชีของพวกเรา ให้ดูในลักษณะเหล่านี้นอกจากนั้นยังให้ดูว่าจิตใจเราผ่องใสหน้าตาเราแจ่มใสหรือไม่หรือหน้าตาเราเศร้าหมองออันนี้ก็เป็นผลของบุญของบาปที่เราทําถ้าทําบุญนี้จิตใจหน้าตาจะแจ่มใสผ่องใสเบิกบานถ้าทําบาปนี้หน้าตามักจะ เศร้าหมองไม่น่าดูแล้วถ้าเวลามาฝึกนั่งสมาธิถ้านั่งสมาธิแล้วสงบง่ายนี่เรียกว่าบุญมากกว่าบาปถ้าทำบาปมากกว่าบุญนี้เวลานั่งสมาธินี้จะสงบยากแล้วก็เวลาตายไปดังที่ได้พูดไว้ถ้าบุญมากกว่าบาปก็จะไปสุขสุกติ ถ้าทำบาปมากกว่าบุญก็จะไปเกิดในอบายนี่คือสิ่งที่เราพอจะสังเกตได้ว่าบัญชีของเราตอนนี้กำลังติดลบหรือกำลังติดบวกกำลังกำไรหรือกำลังขาดทุนตอนนี้เรายังไม่ตายเรารีบแก้ไขได้เพราะเวลาตายป๊อปนี้เราไม่สามารถที่จะไป เปลี่ยนบัญชีได้เหมือนคนบางคนที่คิดว่าไว้มาทำบัญชีตอนเวลาตายมาทำจิตสุดท้ายให้มันเป็นบวกเนมันเป็นไปไม่ได้ถ้ามาทำวันวันตายเพราะว่ามันเวลาไม่พอเวลาที่จะพลิกบอยสัตว์จากล้มละลายให้มาได้กำไรนี้มันต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาตัด ค่าใช้ใจ่ายต่างๆลงไปใช้เวลาเพิ่มรายได้ขึ้นมาบริษัทถึงจะพลิกจากการขาดทุนจากการล้มละลายมาสู่การกำไรมาสู่การเจริญรุ่งเรืองได้ต้องใช้เวลาไม่ใช่มารอทำกันเวลาสิ้นปีเวลาสิ้นปีเป็นเวลามาทำบัญชีแต่แก้บัญชีไม่ได้ จะแก้บัญชีต้องแก้ก่อนสิ้นปีนะเช่นปีนี้เราสมมติว่าเราเห็นว่าบัญชีเรากำลังติดลบเข้าขีดแดงพรุ่งนี้ปีใหม่เราเริ่มต้นปีใหม่เราต้องมาแก้บัญชีกันมาลดรายจ่ายมาเพิ่มรายได้คือเราต้องมาทำบุญให้มากขึ้นลดการกระทำบาปให้น้อยลงไป แล้วต่อไปสิ้นปีหน้ามาดูบัญชีใหม่อาจจะดีกว่าปีนี้ปีนี้ขาดทุนปีหน้าก็อาจจะพลิกกลับมากำไรได้ยนันเราต้องไม่ประมาท เ, เพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้เราจะถูกปิดบัญชีเมื่อไหร่เราไม่มีใครรู้เวลาปิดบัญชีของใจก็ตอนที่ร่างกายตายไป ร่างกายมันก็ตายได้หลายรูปแบบด้วยกันตายด้วยไม่ความอไม่ตั้งใจเกิดตายด้วยความไม่รู้ล่วงหน้าก็มีตายแบบรู้ล่วงหน้าก็มีตายแบบรู้ล่วงหน้าก็คือเวลาไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วรักษาไม่ได้แล้วขั้นสุดท้ายแล้วเหลือสามเดือนอย่างนี้ก็รู้ล่วงหน้าก็ยังดีรู้ล่วงหน้าก็ดี เมื่อก่อนอาจจะประมาทคิดว่าจะอยู่ไปเรื่อยๆพอรู้เรื่องหน้าว่าจะตายอีกสามเดือนอาจจะรีบไปบวชก็ได้ไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมไปสร้างบุญให้มากๆก็อาจจะแก้บัญชีได้ทันอันนี้ก็แต่ยากเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนนิ ส, สัยเปลี่ยนการกระทำของเราเนี่มันเหมือนกับเปลี่ยนมือซ้ายมาใช้มือขวา มันไม่ถนัดมันไม่ชอบมันไม่สบายเหมือนกับใช้ของที่เราเคยใช้อยู่เคยใช้มือขวามันถนัดมือขวาใช้มือขวาแล้วมันสบายพอตั้งมาใช้มือซ้ายแล้วรู้สึกว่ามันอึดอัดใช้ไม่คล่องแคล่ว่องวาใช้ไม่ได้ดีเท่ากับใช้มือที่เราถนัดพฤติกรรมการกระทาของเราก็เป็นเหมือนดิสไซนนี้ ถ้าเรามีพฤติกรรมที่ทาบาปมากกว่าทาบุญเวลาจะมาเปลี่ยนให้มันทาบุญมากกว่าทําบาปนี่มันก็ไม่ใช่เป็นของง่ายมันต้องใช้ความพยายามมากแต่ก็ไม่สุดวิสัยบางคนก็ทาได้ยกตัวอย่างองคุลิมานี้ก็แต่องคุลิมานี้ดีตรงที่ว่าทำบาปไม่ใช่เพราะทำด้วยนิสัยเคยทำความดีมาตลอด เป็นนักบวชมีอาจารย์คอยสั่งคอยสอนแต่ถูกอาจารย์โกรธเพราะคิดว่าจะมาแย่งตำแหน่งเป็นอาจารย์อาจารย์ก็เลยกลั่นแกล้งสั่งสอนให้ทำบาปหลอกให้ทำบาปว่าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตเป็นอาจารย์ได้องคุลิมานก็เชื่อฟังอาจารย์อาจารย์บอกว่าต้องไปฆ่าคนมาหนึ่งพันคน ถึงจะได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่จะได้สำเร็จบรรลุธรมมรมองคุลิมานก็เลยเชื่อไปฆ่าคนฆ่าได้ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนเหลือคนเดียวก็พอดีเจอพระพุทธเจ้าก็คิดว่านี่คือคนที่พันจะได้สาเร็จเสียทีก็พยายามที่จะวิ่งไล่ฆ่าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าก็มีอิทธิฤทธิปาฏิหาร สามารถทำให้องคุริมาวิ่งไม่ทันไล่ไม่ทันวิ่งไล่เท่าไหร่ก็ไม่ทันจนถึงเหนื่อยแรงหมดกําลังก็เลยตะโกนไปบอกพระพุทธเจ้าว่าท่านหยุดเถิดผมตามท่านไม่ทันแล้วแหละพระพุทธเจ้าบอกเธอต่างหากที่ไม่ได้หยุดเรานะ่หยุดมานานแล้วองคุริมาอก็เลยบอก ท่านหยุดได้ยังไงในเมื่อผมวิ่งไล่ท่านถ้าเป็นแทบตายทําไมผมตามท่านไม่ทันถ้าท่านหยุดผมก็ต้องตามท่านทันพระพุทธเจ้าบอกว่าเราหลุดจากความโลภความโกรธความหลงแล้วพ อ, อพูดอย่างนี้องคุลิมานก็ไม่เข้าใจพอมานั่งคิดอีกทีถึงจะเข้าใจว่าท่านหมายความว่าถ้าเราอยากจะสําสเร็จทำบรรลุธรรมนี้ เราต้องหยุดการความโลภความโกรธความหลงการฆ่านี้ไม่ใช่เป็นการหยุดความโลภความโกรธความหลงแต่เป็นการเพิ่มความโลภความโกรธความหลงพอได้ยินอย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนใจหยุดมารู้ว่าถูกหลอกพระพุทธเจ้ามาบอกความจริงให้ฟังก็เลยเปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนความพยายามที่จะฆ่า คนมาฆ่ากิเลสแทนมาฆ่าความโลภความโกรธความหลงพอพยายามทําได้ไม่นานก็สําเร็จเพราะว่านิสัยที่จะไปฆ่าคนนั้นไม่ได้ไปฆ่าด้วยความด้วยความเป็นนิสัยฆ่าเพราะถูกหลอกให้ฆ่าก็เลยก็หยุดการฆ่าได้เปลี่ยนเป้าหมายของการฆ่าจากการฆ่าคนมาฆ่ากิเลส พอฆ่ากิเลสก็กลายเป็นผู้สิ้นกิเลสผู้สิ้นกิเลสก็คือพระอารหันต์นี่เองพระอารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสเป็นผู้ที่สิ้นสุดการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งปวงอันนี้ต้องมีเหตุการณ์ที่จะมากระตุ้นให้พวกเราเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเรากันพวกเราทุกคนอยู่กัน ทุกทุกวันนี้มันอยู่มันติดเป็นนิสัยใครชอบทำอะไรก็จะทำต่อไปต้องมีอะไรมากระตุ้นมาแก้ความหนงมาปลุกให้ตื่นอย่างครูบาอาจารย์รูปหนึ่งลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านก็เป็นปาา้าอรหันหะแต่ท่านบวชในวัยที่มากแล้วกลางคนแล้วมั้งสี่สิบห้าสิบ สาเหตุที่ทำให้ท่านบวชก็เพราะว่าท่านไปพบว่าพันรายาของท่านไปมีชู้อพอท่านรู้เข้านี่ท่านโหเกิดความโกรธขึ้นมาสุดขีดเตรียมตัวที่จะไปฆ่าเขานะแต่พอดีโชคดีบุญเก่ามีระ ง, งับไว้ทำให้ท่านมีสติเตือนตนเองว่าการไปฆ่าเขาไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใด เป็นการทำตัวเองให้ตกต่ำยิ่งกว่าเก่าต้องไม่แก้ต้องต้องยอมรับความจริงต้องหย่าไปฆ่าเขาถ้าฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขาเขาเพียงแต่มีชู้เท่านั้นเองแต่เขายังไม่ได้ไปฆ่าใครแต่เรานี่คิดว่าเราเป็นคนดีแต่ถ้าคนดีจริงเราจะไปฆ่าเขาเราก็เลวกว่าเขาท่านเองนะก็เลยได้สติแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรม เห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนเนาอมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับไปเป็นธรรมดามีแฟนก็เสียแฟนได้เพราะไม่มีอะไรแน่นอนพอได้สติงั้นก็เลยเกิดความเบื่อในโลกไม่อยู่ไม่อยู่ในโลกต่อไปคอยเป็นคารวาสคอยหาความสุขจากการมีแฟนมีครอบครัวทีนี้กลับเห็นว่ามันเป็นทุก คนเวลาที่ทุกข์นี่มันมันเห็นกับตาเลยต้องเห็นเจอเหตุการณ์จริงๆพอรู้ว่านี่แหละคือความทุกข์ก็ไม่อยากจะเจอมันอีกต่อไปก็เลยบวช ด, ดีกว่าเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนจากการอยู่แบบคารวะผู้คลองเรือนผู้หาความสุขอยากราบยศสรรเสริญ หาความสุขจากการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็มาเปลี่ยนเป็นพระดีกว่ามาเสพความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเหมือนกับความสุขที่ได้จากการเสพในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะพอท่านออกบวชท่านก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มที่ โชคดีได้พบครูอาจารย์ที่เก่งเป็นพระอารหันต์คือพระอาจารย์มั่นเองพอท่านได้ศึกษาจากพระอาจารย์มั่นไปปฏิบัติไม่กี่ปีท่านก็ฆ่ากิเลสได้หมดได้บรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์าวกสาวกลายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมาคิดว่ามีอยู่ในหนังสือประวัติพระอาจารย์มั่นเนี่ยถ้าลองไปเปิดอ่านดู มีเรื่องราวเหล่านี้เกี่ยวกับสาวกเกี่ยวกับโูกสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นแต่ละคนที่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการเป็นคารวะไปออกบวชกันเพราะเขามีปัญญาเห็นว่าความสุขทางโลกนี้มันไม่จีรังถาวรมันต้องมีวันสิ้นสุดลงวันใดวันหนึ่งแล้ววันนั้นจะเกิดความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างยิ่ง มีลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นอีกคนหนึ่งท่านก็ตอนเป็นฆราวาสท่านก็เป็นชาวนาชาวไร่ที่มีฐานะมีเงินมีทองแต่ไม่มีลูกมีมีแต่ภรรยาแต่ท่านกับภรรยาก็เข้าวัดเป็นประจำเข้าวัดศึกษาธรรมฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันพระก็ถือศีลแปดวันธรรมดาก็ถือศีลห้าทำบุญใส่บาท ฝึกนั่งสมาธิฝึกคิดทางปัญญาจนเห็นว่าชีวิตของคารวะนี้มันเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ความวุ่นวายใจสู้ไปหาความสุขจากการเป็นนักบวชไม่ดีกว่าท่านก็เลยประกาศบอกชาวบ้านเพื่อนชาวบ้านร่วมกันว่าอะไปบวชแล้วทั้งสามีภรรยากครมี ต้องการอะไรกายไม่มีวัวไม่มีควายก็มาขอได้กายไม่มีบ้านไม่มีนาก็ขอได้เพราะท่านไม่มีลูกไม่มีหลานท่านจะไปบวชไม่ต้องการเอาสมบัติเหล่านี้ติดตัวไปสละสมบัติแล้วก็ออกบวชภรรยาก็บวชชีตัวท่านก็บวชพระตัวท่านก็มุ่งไปหาหลวงปู่มั่นเหมือนกัน ได้ศึกษากับหลวงปู่มั่นนั้นในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมขึ้นมาทิ้นกิเลตตายไปกระดูกของท่านก็กลายเป็นพระธาตุขึ้นมา อ, องค์นี้เชื่อว่าท่านชื่อว่าหลวงปูป่พรม อ, อยู่ อ, อุดรองคงแรกที่เมื่อกี้พูดถึงก็คือหลวงปู่ขาวหลวงปู่ขาวก็อยู่อุดรเหมือนกันวัดถ้ำกองเพนนี่คือเรื่องของการเปลี่ยนพฤติกรรม มันต้องมีอะไรมากระตุ้นให้เราเห็นว่าพฤติกรรมของเราที่เราอยู่กันนี่มันมีแต่จะขาดทุนมากกว่าจะกำไรหรือถ้ากำไรก็กำไรน้อยถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปแต่ไม่ทำบุญถึงขั้นที่จะทำให้เราไม่กลับมาเกิดได้เราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เช่นถ้าเราทำบุญมากกว่าทำบาปตายไปเราได้ไปสวรรค์ แต่พอเราหมดบุญจากสวรรค์เราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วก็ต้องมาทำบุญทำบาป ก, กันใหม่ต้องมาทุกมาวุ่นวายกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่เรากำลังวุ่นวายกันอยู่ในขณะนี้จะต้องเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่สามารถที่จะหยุดกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจได้เพราะถ้ายังมีกิเลสตัณหามีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากได้ลาบยศสรรเสริญได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายต่อไปเพราะความอยากเหล่านี้มันจําเป็นที่จะต้องหาผ่านร่างกาย เวลาไม่มีร่างกายเราไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เวลาที่เราตายไปช่วงที่เรามีบุญเราก็อาศัยบุญให้ความสุขกับเราเป็นเทวดาพอบุญหมดทีนี้ไม่มีความสุขแล้วอยู่แบบดวงวิญญาณแบบไม่มีอะไรอยู่ไม่ได้ต้องหาดินหาร่างกาย เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายมาหาความสุขมาหาราบยศสรรเสริญใหม่ก็เลยต้องกลับมาเกิดกันพอกลับมาเกิดมันก็ต้องมาเจอความทุกข์ของร่างกายร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ทุกตั้งแต่ออกมาจากท้องแม่ก็ทุกข์แล้วมีเด็กคนไหนออกมาแล้วหัวเราะไหมไม่มีมีแต่ร้องไห้กันแสดงว่าทุกข์แล้วทไมทุกข์ว่าต้องหายใจเอง ถ้าไม่หายใจก็เดี๋ยวก็ตายอยู่ในท้องแม่สบายไม่ต้องหายใจเองไม่ต้องหาอะไรมากินเองไม่ต้องหาอะไรมาดื่มเองไม่ต้องขับถ่ายเองแม่จัดการให้ทุกอย่างเวลาอยู่ในท้องแม่ผ่านสายสายสะดือเนี่ยสายสะดือเป็นที่หล่อเลี้ยงร่างกายเป็นที่รับรับสิ่งที่เราจะต้องขับถ่ายออกจากร่างกาย ผ่านทางสายสะดือของแม่นี่ยแต่พอโตขึ้นไปมากๆ ม, ม, มันก็อยู่ไม่ได้ท้องมันแคบก็เลยต้องถูกคลอดออกมาพอค้อดออกมาับสิ่งแรกต้องทำก็ต้องหายใจแนละ้วถ้าไม่หายใจเดี๋ยวก็ตายก็ลองพอออกมาไม่ได้หายใจมันจะตายมันก็จะลองพอได้หายใจมันก็เลยหยุดลองไป เดี๋ยวเด๋ยวก็ร้องขึ้นมาแล้วหิวน้ำแล้วสิแม่ก็ต้องหานมมาให้ดืม่มเดี๋ยวก็หิวหิวอาหารอีกแล้วแล้วเดี๋ยวก็ต้องขับถ่ายกแล้วก็ร้องอีกร้องตลอดเวลาใช่ไหมเคยเห็นเด็กที่เกิดมาแล้วไม่ร้องร้องมากกว่าตอนเป็นผู้ใหญ่สิเพราะตอนเป็นผู้ใหญ่ยังพอที่จะแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ของตนได้หิวน้าก็หาน้า ม, มาดื่มเองได้ หิวอาหารก็หาอาหารมากินได้ปวดท้องปวดฉีก็ไปถ่ายเองได้ก็ร้องน้อยลงไปแต่ความทุกข์ก็ไม่ได้หายไปไหงใด้ดเพียงแต่รู้จักวิธีบรรเทาทุกข์นั่นเองด้วยตนเองแต่ช่วงที่เกิดมาใหม่ๆนี่บรรเทาทุกข์ด้วยตนเองไม่เป็นก็เลยต้องร้องให้พ่อให้แม่ช่วยบรรเทาทุกข์ให้ พ่อแม่ก็เลยลําบากใช่ไหมตอนลูกออกมาใหม่ๆบางทีดึกๆเด่นๆก็ร้องขึ้นมาไ ม, ไม่ว่ากี่โมงกี่ยามพอปวดท้องปวดฉี่พอหิวน้ําหิวอะไรขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาหรือถ้าเกิดความกลัวขึ้นมารู้สึกเหงาววาเวยขึ้นมาก็ร้องขึ้นมาอีกต้องให้พ่อแม่มากอดมาก่อมให้หลับบานะงทีหลับไปอาจจะฝันไม่ดีหรือ ฝันร้ายพอก็เลยตื่นขึ้นมาร้องขึ้นมาหรือบางทีไม่ได้ฝันร้ายแต่นอนไม่หลับพอนอนไม่หลับอยู่คนเดียวก็รู้สึกเหงาว้าเว่ก็ร้องขึ้นมานี่แหละเป็นความทุกข์ในการที่มาเกิดเป็นมนุษย์กันแต่พวกเรามักจะมองข้ามไปกันลืมไปกันว่าเนี่ยเราต้องฟันฝ่าความทุกข์ต่างๆแทบทุกวันเพียงแต่ว่าเรา พอที่จะบรรเทาทุกข์ได้มันก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ทุกข์แต่ต่อไปเวลาร่างกายเราเข้าสู่วัยชรามันก็จะกลับไปเป็นเหมือนเด็กต่อไปเราก็จะไม่สามารถบรรเทาทุกข์ได้ด้วยตนเองก็ ต, ต้องอาศัยคนอื่นมาช่วยเวลาแก่เวลาจะเดินจะทาอะไรก็อาจจะทาไม่ไหวก็ต้องมีคนมาช่วยถ้าไม่มีใครช่วยก็ลำบาก ก็ทุกเนี่ยเนี่ยนี่คือเรื่องของทำไมไม่ควรที่จะมาเกิดกันเพราะมาเกิดแล้วมันเจอแต่สารพัดทุกทุกตั้งแต่วันแรกที่ออกจากท้องแม่มาเลยจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่จะเข้าสู่โรงโรงศพเนี่ยก็ทุกกันตลอดเวลานอกจากทุกเกี่ยวกับเรื่องร่างกายแล้วยังต้องมาทุกเกี่ยวกับกิเลสตัณหาของเราอีก กิเลสตัหาเวลามันแสดงตัวขึ้นมาอยากได้นูน่นอยากได้นี่ขึ้นมาใจก็ทุกข์ขึ้นมาเอยู่ไม่เป็นสุขพออยากไปเที่ยวนี่ให้อยู่บ้านก็รู้สึกเหงารู้สึกหดหิดลำคาญใจะต้องหาวิธีออกไปเที่ยวให้ได้ตอนเป็นเด็กๆบางทีก็ต้องหนีหนีออกไปข้างนอกบ้านพ่อแม่ไม่ให้ไปเที่ยวบางทีให้ไปโรงเรียนก็หนีโรงเรียนกันะ นี่ก็เพราะกิเลสตัณหาความอยากอยากไปเที่ยวไม่อยากจะเข้าห้องเรียนไม่อยู่ไม่อยากอยู่บ้านอยู่แล้วมันรู้สึกเหงารู้สึกหงุดหงยดลำคาญใจพอได้ไปเที่ยวแล้วมันสนุกเพลิดเพลินไปทําให้ความรู้สึกหงุดหียดมันหายไปแต่มันหายไปชั่วคราวเท่านั้นเอง mm hmm. เดี๋ยวพอต้องกลับมาอยู่บ้านมันก็หายไปหมดนความรู้สึกหงุดหงิดก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ ไปโรงเรียนก็เหมือนกันต้องไปทำอะไรที่เราไม่ชอบก็เหมือนกันทำแล้วมันหงุดหงิดทางานก็บางทีก็ไม่อยากจะทำแต่มันจำใจต้องทำเพราะรู้ว่าถ้าไม่ทำมันจะยิ่งลำบากยิ่งกว่าทำก็เลยทนทำกันไปเท่านั้นแะมีใครอยากทำงานกันบ้างไม่มีหรอกถ้าได้เงินเดือนโดยไม่ต้องทำงานนี่จะเอามระหว่างให้เลือกระหว่าง ให้เงินเดือนกับทํางานกับให้เงินเดือนแล้วไม่ต่องงานทํางานจะเอาแบบไหนดีฮะมันก็จะเอาแต่เงินเดือนฮะพอได้เงินเดือนแล้วมันจะได้เที่ยวได้ตอบสนองกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆได้อยากจะดูอยากจะฟังอะไรก็ทําได้อยากจะเดิมอยากจะรับประทานอะไรก็ทําได้อยากจะซื้ออะไรที่เห็นแล้วชอบก็ซื้อได้ถ้ามีเงินดังนั้น ก็เลยต้องมาทุกกับการทํางานกันใช่ไหมไม่มีใครอยากทํำหรอกแต่ก็ต้องทํางานกันเพอทําแล้วมันก็จะได้ทําให้มันทุกข์น้อยลงลําบากน้อยลงเท่านั้นเองนั้นสรุปถ้าเรามองจริงๆในการมาเกิดนี่มันมีแต่เรื่องทุกข์ยากลําบากให้เราต้องคอยแก้ไขอยู่เรื่อยๆสู้ไม่เกิดไม่ดีกว่าตอนเป็นเทวดานี่สบายไหมตอนที่ไม่มีร่างกายนี่ แต่นันจะสบายเที่ยวได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงทําเที่ยวได้ทุกวันตอนที่เราเป็นเทวดานี่เรากำลังอยู่ในโลกของความท่องเที่ยวท่องเที่ยวในโลกของความฝันนี่เองใจของเราเวลาที่ไม่มีร่างกายมันก็จะอยู่ในสภาพเหมือนคนนอนหลับเนะี่ยเวลาคนนอนหลับมันก็เหมือนกับไม่ได้มีร่างกายใช่ไเราปล่อยให้ร่างกายนอนเฉย แต่ใจเราไปเที่ยวได้เวลาฝันดีเป็นไงหวันว่าว่าไปเที่ยวที่นั่นไปพบคนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปงานวันเกิดงานอะไรแต่งงานงานอะไรต่างๆนี่คือลักษณะของความฝันดีเวลาไม่มีร่างกายนี้มันดีกว่ามีร่างกายคนเราวนี่บางทีเวลาตื่นขึ้นมาทุกขนะ์เนี่ยแต่พอนอนหลับกับสุขกว่าตื่นก็มีคือคนที่ทำบุญ แต่เวลาตื่นขึ้นมาต้องทํางานทําการหาเงินหาทองต้องทุกข์ต้องวุ่นวายไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้แต่พอเวลานอนหลับนี่กับสบายกว่าได้ฝันดีฝันว่าไปเป็นเศรษฐีเป็นนู่นเป็นนี่เพราะอํานาจของบุญที่เขาทาไว้ในขณะที่เขาตื่นแต่เวลาที่ตื่นเขายากจนแต่เวลานอนหลับเขาเป็นเศรษฐี ดีกว่พวกที่เป็นเศรษฐีเวลานอนหลับนี่เป็นเหมือนขอทานพวกที่โกงกินเขาเนี่ขโมยเงินอะไรสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนต่างๆเวลาตื่นนี่อยู่แบบเศรษฐีแต่เวลานอนหลับนี่นอนนอนเป็นเปรตเหมือนเป็นเปรตมีแต่ความทุกข์ยากเดือดร้อนอดอยากขาดแคลนเพราะไม่ทําบุญ ทำแต่บาปทำบาปด้วยความโลภมันจะทำให้เป็นเปรต น, นี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่ยังมีปัญหาที่เรายังต้องมาแก้กันอยู่ตาตาบดเรายังมีความโลภความโกรธความหลงมีความอยากต่างๆอยู่นี่เรายังต้องไปเจอความทุกข์กันอีกมากมายกายกอง เราจะมาแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องมาเจอพระพุทธศาสนาเท่านั้นต้องมาเจอพระพุทธเจ้าหรือเจอพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเจอพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าผู้รู้วิธีแก้ปัญหาผู้รู้วิธีกําจัดความโลภความโกรธความหลงกําจัดความอยากต่างๆที่พาให้เราต้องมาเวียนว่ายตายเกิดกันอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนี้ได้อ ถ้าไม่มีพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์องค์ใดองค์หนึ่งมาสอนเราเราไม่มีทางที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เพราะอะไรเพราะเราโงา่เราแม้แต่ปัญหาเรายังไม่รู้ลปัญหาของเราอยู่ที่ไหนกันปัญหาของเราก็เป็นปัญหาที่เป็นตัวสร้างปัญหาวิธีแก้ปัญหาของเราก็คือไปสร้างปัญหาเพราะปัญหาของเราเราคิดว่าเราไม่มีความสุข เราจะมีความสุขเราต้องมีลาบยศสัลเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสนะครับเราจะไปแก้ปัญหาด้วยการสร้างปัญหาเพราะวิธีหาลาบยศสัลเสริญสุขนี่มันเป็นวิธีหาความทุกข์นั่นเองพอได้มาแล้วเดี๋ยวเวลาได้มาก็ดีใจแล้วพอสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจร้องหม่มร้องไห้แล้วก็ต้องไปหาใหม่ร่างกายตายไปเวลาตายไป ลาบยศสรรเสริญสุขที่เราหากันมาแทบเป็นแทบตายนี้เอาไปไม่ได้เลยใช่ไหมมีสมบัติกี่ล้านกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็เอาไปไม่ได้มีถ้าเอาไปได้จะเก็บไว้ไหมจะปล่อยทิ้งให้คนอื่นหรือเปล่าไม่ทิ้งใช่ไหมนี่มันเอาไปไม่ได้มันก็เลยต้องทิ้งให้คนอื่นไปทิ้งให้ลูกหลานไปถ้าเอาไปได้รับรองได้ไม่มีใครเก็บไว้ให้ลูกหลานหรอกนี่แหละ เราก็ต้องไปหาใหม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้วก็มาเกิดใหม่แล้วก็มาเริ่มต้นหากันใหม่หากันมาอย่างนี้ไม่รู้กี่แสนล้านรอบนะหากันไปเรื่อยๆเพราะนี่คือวิธีที่เราคิดว่าเป็นวิธีแก้ปัญหาของเราแก้ความไม่สบายใจแทรกแก้ความหงุดหงิดลำคาญใจแก้ความเหงาความว้าเวของเราเราแก้ด้วยวิธีหาราบยศสรรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันแล้วเราก็จะแก้อย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้มาเจอคนที่รู้จักวิธีแก้ที่แท้จริงเหมือนองคุลิมานเนี่ยโชคดีไปเจอพระพุทธเจ้านะถ้าไปเจอคนอื่นก็อาจจะฆ่าคนที่หนึ่งพันฆ่าแล้วก็คิดว่าตนเองวิเศษแต่ความจริงก็ไม่ได้วิเศษอะไรเพราะกิเลสมันไม่มีมันไม่ได้ตาย พอตนเองตายไปเดี๋ยวก็ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่แต่โชคดีได้มาเจอพระพุทธเจ้าใครได้เจอพระพุทธเจ้านี้ถือว่าโชคดีมากเพราะพระพุทธเจ้าจะได้บอกปัญหาของเราให้รู้ว่าปัญหาของเราตอนนี้อยู่อยู่ที่ตรงไหนอยู่ตรงที่ใจของเราไม่มีความสุขในตัวเองนั่นเองแล้วก็อยู่ถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่า การที่จะทำให้เรามีความสุขเราต้องไปหาราบยศตัลเสริญไปหารูปเสียงกลิ่นรสกันอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีแก้เป็นวิธีสร้างความทุกข์สร้างปัญหาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆทำให้เราต้องมีภพชาติมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายกันอยู่เรื่อยๆถ้าเจอพระพุทธเจ้าเจอพระธรรมคําสอนหรือเจอพระอริยสงสารกท่านบอกว่าเราต้องมาแก้ที่ใจเรา ต้องมาสร้างความสุขในใจของเราให้เกิดขึ้นถ้าเรามีความสุขในใจเราก็จะได้หยุดหาความสุขจากภายนอกใจได้ถ้าเราหยุดหาความสุขจากราบยศ ส, สรรเสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสได้เราก็ไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปร่างกายที่มีอยู่ตอนนี้จะแก่จะเจ็บจะตายเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องอาศัยร่างกาย เราสามารถมีความสุขได้ไม่ว่าร่างกายจะแก่หรือไม่แก่ร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บร่างกายจะตายหรือไม่ตายแต่เราสามารถมีความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีสร้างความสุขขึ้นมาภายในใจพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้เรามาเปลี่ยนวิธีหาความสุขกันอย่าไปหาความสุขจากลาบยศ ส, สรรเสญจากรูปเสียงกลิ่นรสพลตภนะ ให้มาหาความสุขจากการทำบุญทาทานหาความสุขจากการรักษาศีลหาความสุขจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบเพราะความสุขที่แท้จริงความสุขในใจนี้เกิดจากการทำใจให้สงบนั่นเองถ้าใจสงบแล้วเราจะพบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัติสันติบาลังสุขขัง ไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะดีเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบความสงบนี้ดีหลายอย่างหนึ่งไม่มีเสื่อมถ้าเราทําถึงขั้นที่ไม่เสื่อมแล้วมันจะไม่มีวันเสื่อมสองเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ตามมาสามจําไม่ได้เราสามตอนแรสองเป็นความสุขที่จะ พาให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายแต่ถ้าเราหาความสุขจากลาบยศจระเสร็จนี้ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลาตายมันก็หมดไปเอาติดตัวไปไม่ได้เมื่อเอาติดตัวไปไม่ได้ก็ต้องกลับมาหามันใหม่ก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เนี่ยพวกเรามาเกิดกันไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้วเช่ไม ถ้าไม่เชื่อลองเก็บน้ําตาดูเลยเขาตระแจวบอกน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละพบแต่ละชาตินี้ถ้าเรารวบรวมกันแล้วนี่มันมากกว่าน้ําในมหาสมุทรตัวเชานี้เราน้องให้น้ําตาหลั่งถึงหนึ่งถ้วยเรือยังคิดดูจะต้องร้องกี่กี่กี่ชาติกันถึงจะได้น้ําตามากยิ่งกว่าน้ําในมหาสมุทรนั่นแหละคือจิตใจของพวกเราตอนนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่ได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดหรอกนะแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งถ้าเราได้มาเกิดได้มาเจอกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราจะได้พบกับคนที่รู้จักวิธีแก้ปัญหาของเราแล้วถ้าเราเชื่อฟังแลวเราสามารถปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้เราก็จะสามารถยุติการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายได้ ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปไม่ต้องมาหลังน้ำตาให้มันมากก็ยิ่งกว่าน้ำในหมหาสมุทรแต่ถ้าเราไม่ได้พบหรือพบแล้วไม่ได้ไม่เชื่อฟังไม่สนใจเหมือนคนในเมืองไทยเนี่ยมีคนไม่รู้กี่สิบล้านคนแต่คนที่สนใจที่จะมาศึกษามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี้มีสักกี่คนญาติโยมก็คงจะรู้เองเพื่อนบ้านของเราเป็นยังไง เพื่อนที่เรารู้จักของเราเป็นไงมีกี่คนที่สนใจที่จะมาศึกษาแบบจริงจรงจรังๆสนใจที่จะมาปฏิบัติแบบจริงจรงจรังๆถ้าทําอย่างมากก็ทําแบบกลอมแก้มทําแบบพอหอมปากหอมคอเอทําบุญทําทานก็ทำช่วช่วงวันเทศกาลอย่างวันนี้เอหรือวันพรุ่งนี้ปีหนึ่งทํามันสักครั้งหนึ่งหรือวันเกิดทําสักครั้งหนึ่งวันเทศกาลต่างๆเอก็ทําได้เท่านั้นเอง แต่ที่จะให้มาถือศีลนี่แทบจะหายากเลยใช่ไหมเพียงแต่ศีลห้าใ น, นก็รักษากันไม่ครบล่ะอย่าไปว่าศีลแปดอย่าไปว่าเรื่องนั่งสมาธิทําใจให้สงบหรือให้มาฟังเทศฟังธรรมพวกนี้เขาไม่เอาหรอกถึงแม้เขาเป็นชาวพุทธก็ตามชื่อก็ในทะเบียนบ้านก็บอกว่าเป็นพุทธใช่ไหมแต่เป็นพุทธแต่ชื่อใช่ไหมตัวพุทธไม่มีเลยถ้าจะเป็นตัวพุทธมันต้อง ปฏิบัติทานศีลภาวนาถึงจะเรียกว่าเป็นชาวพุทธปฏิบัติอย่างสม่ําเสมออย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าจะไม่มากเต็มร้อยก็ตามอย่างน้อยก็ถือว่าพยายามที่จะทําก็อาจจะแบบเป็นการเริ่มต้นทําแบบอยู่อนุบาลไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็ค่อยเพิ่มไปทีละหน่อยทําบุญให้มากขึ้นรักษาศีลให้มากขึ้นภาวนาให้มากขึ้น มันก็จะเลื่อนจากชั้นอนุบาลขึ้นสู่ชั้นประถมได้สู่ประถมสู่มัธยมสู่อุดมศึกษาได้พอเข้าสู่อุดมศึกษาแล้วเดี๋ยวเดียวมันก็ได้ปริญญากันแนะถ้าเราปฏิบัติทานศีลภาวนาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทีละเล็กทีละน้อยร้อยละสิบเป็นน้อยละยี่สิบร้อยละสามสิบ้อยละสี่สิบเอาเวลาที่เราไปใช้กับการหาราบยศรัทเสริญมาเอามาใช้กับ การปฏิบัติทานศีลภาวนาเพิ่มมันขึ้นไปเรื่อยๆลดเอาเวลาที่ไปใช้หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาใช้กับการหาความสุขทางทานศีลภาวนาต่อไปเราก็ทำได้เต็มร้อยพอเต็มร้อยก็ถือว่าเราได้เข้าสู่ระดับอุดมศึกษาเข้าสู่ระดับปริญญาเนะี่ก็คือเราไปบวชได้พวกที่ไปบวชเนี่ยถือว่าพื้นพวกที่เข้ามาหาหล่นะ พอเข้ามาหาลาัยเดี๋ยวปฏิบัติสี่ปีก็ได้เป็นปญญาอันแรกแล้เป็นโสดาบันนะบางคนเร็วกว่านั้นก็ได้ถ้าได้ครูได้อาจารย์ดีๆสอนพระพุทธเจ้าบอกว่าบางทีเจ็ดวันก็ได้ละแล้วเดี๋ยวพอปฏิบัติต่ตอไปเองเดี๋ยวก็ได้ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ศาสนาศาสนาพุทธมีปัญญาอยู่สี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งเรียกว่าโสดาบัน ขั้นที่สองเรียกว่าสกิดาคามีขั้นที่สามเรียกว่าอนาคามีขั้นที่สี่เรียกว่าอรหันต์แต่ละขั้นก็จะลดจำนวนของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายให้น้อยลงไปได้ขั้นที่หนึ่งนี้ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดครั้งเป็นอย่างมากอาจจะไม่ถึงก็ได้จะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ได้เพราะว่าพอเริ่มเป็นพระอริยะแล้วสามารถปฏิบัติต่ตอไปได้ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะแล้วก็พระอริยะทุกองค์นี้จะปิดประตูอาบายกันจะไม่ไปเกิดในอาบายกันอีกต่อไปถึงแม้ว่าในอดีตเคยทำบาปทำกรรมมามากมายกลายกองอย่างองคุลิมานี่ยมันเก้าคนฆ่าคนมาถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนแต่พอเป็นพระอรหันต์แล้วนี่ไม่ไปเกิดในอาบายแล้วเพราะไม่กลับมาเกิดเลยไม่กลับมาเวียนว่ายตายเกิดไม่ว่าจะ อบายหรือสวรรค์ชั้นต่างๆหรือพรมโลกนี้ถ้าอารหันต์ไม่กลับมาเกิดแล้วถ้าได้ขั้นที่สองก็จะตัดภพชาติเหลือเพียงครั้งเดียวจะกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์อีกครั้งเดียวเป็นอย่างมากถ้าได้ขั้นที่สามนี้ไม่ต้องกลับมาเกิดในโลกของมนุษย์ไม่ต้องกลับมาโลกของเทวดาแต่ยังต้องไปเกิดในพรมโลกอยู่ยังติดอยู่ที่พรมโลก พราะพอได้ขั้นที่สก็จะหลุดออกจากตายพบได้ตายพบก็มีสามพบเนี่ยการมภพบก็คือพบของเทวดาพบของมนุษย์นี่เรียกว่าการมาพบพบพรหมโลกก็มีสองมีสองพบด้วยกันรูปประพบกับอรูปภระพบเนี่ยผู้ที่ได้สมาธิได้ฌานได้รูปฌานก็จะไปติดอยู่ที่ขั้นรูปรูปประม ผู้ที่ได้อารูปฌานก็จะไปติดอยู่ในขั้นอารูปภพระานาคามีจะไปติดอยู่ที่สวรรค์ในสวรรค์ชั้นพร ม, มโลกนี่แล้วก็จะสําเร็จจะปฏิบัติต่อได้ขณะที่อยู่ในสวรรค์จิตใจของท่านเหมือนกับว่ามันไหลและ้ะมันไหลไปสู่พระนิพพานโดยอัตโนมัติไม่ว่าจะไปอยู่ในภพไหนชาติไหนะ การเดินเดินของปัญญามันไม่หยุดมันจะเดินค้นหากิเลสตัญหาที่ยังมีหลงเหลืออยู่ในใจให้มันหมดไปเนะี่ยนี่แหละคือการปฏิบัติทานศีลภาวนาที่จะลดการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราได้ต้องทำกันให้ครบสุดทำทานด้วยรักษาศีลด้วยภาวนาด้วยทำพร้อมๆกันได้ เราจะทำได้มากได้น้อยก็อยู่ที่กาลังของเราถ้ากาลังน้อยก็เริ่มต้นที่ก่อไก่ขอไข่ก่อนทาทานก็ทำน้อยเพราะเรายังเสียดายเงินอยู่ก็ทำน้อยหน่อยรักษาศสีลนี่ก็ยังเสียดายสุราอยู่ก็รักษาน้อยหน่อยไปก่อนขอดื่มบ้างแต่ลดน้อยลงคอยดื่มแบบไม่มี ไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ก็ต่อไปนี้อาจจะต้องเอาวันละแก้ววันละถ้วยหรือวันละขวดนี่แล้วต่อไปก็เพิ่มขึ้นไปลดปริมาณลงดื่มให้น้อยลงไปเรื่อยๆบาปก็ทำให้น้อยลงไปเรื่อยๆบุญก็ทำให้มากขึ้นเวลานั่งสมาธิก็นั่งให้บ่อยขึ้นฟังเทศฟังธรรมก็ฟังให้บ่อยขึ้นของพวกนี้ต้องทาควบคู่กันไปมนถึงจะฉุดกันไปได้ ถ้าทำทานอย่างเดียวนีแล้วค่อยมารักษาสีนี่มันจะช้ามากทำไปตามกำลังของเราเราทำบุญทำทานได้ร้อยละเท่าไหร่เราก็ทำไปเช่นเรามีเงินหมื่นหนึ่งเราทำได้ร้อยละสิบก็ทำไปหนึ่งพันต่อไปถ้าเรามีกำลังมากขึ้นอยากจะทำร้อยละยี่สิบเราก็ทำสองพันมันจะมีกำลังเพราะว่าถ้าเราทำแล้วมันจะเกิดผลขึ้นมา เราจะเริ่มเห็นว่าจิตใจเรามีความสุขมากขึ้นความทุกข์น้อยลงความอยากน้อยลงความอยากที่จะเอาเงินไปเที่ยวเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่งางๆมันจะมีน้อยลงทุกครั้งที่เราทำบุญมันจะทำให้ความอยากลดน้อยลงไปมันก็เลยทำให้เราเห็นว่ามีเงินเหลือเยอะขึ้นก็เอามาทำบุญเพิ่มมากขึ้นพอทามากขึ้นมันก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้น มันก็จะชอบมันก็จะอยากทำมากขึ้นไปเองมันจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆศีลก็เหมือนกันพอเรารักษาศีลได้ข้อนี้ได้แล้วมาเบาใจขึ้นไปเยอะพอเลิกดื่มสุราได้เนี่ยเบาไปเยอะเลยไม่ต้องมากังวลกับการคอยหาสุรามาดื่มดื่มแล้วก็ทำอะไรไม่ได้กลายเป็นเหมือนสุนักไปไก น, นดื่มเหล้านี่ก็เรียกว่าเป็นเหมือนสุนัเลยอารวาตัดคนนั้นกัดคนนี้ด่าคนนั้นว่าคนนี้ ไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ไม่มีใครเขาอยากจะอยู่ด้วยแต่พอไม่ดื่มสลาวนี่โอ้ยมีคนรักเราชอบเราภรรยาที่พยายามหลบเราหนีเร า, เราลูกที่จะคอยหลบเราหนีเราเดี๋ยวนี้ไม่ต้องหลบละเจอพ่อวิ่งเข้าหาเลยดีใจแต่เวลาเห็นพ่อเมานี่หลบกันหมดนี่คือประโยชน์ผลมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราทำเมื่อเห็นผลแล้วมันจะมี กําลังใจมีฉันทาวิริย ะ, ะคือมีความยินดีมีความภาคเพียรที่จะทําความดีให้มากขึ้นที่จะลดการกระทําบาปให้มากขึ้นนั่งสมาธิกเหมือนกันใหม่ๆนั่งไม่ได้เลยนั่งได้อึดปั๊บเดียวจุกตรงนั้นจุกตรงนี้อึดอัดตรงนั้นอึดอัดตรงนี้แต่พยายามฝืนไปพยายามหัดจเจริญสติไปก่อนพุโทโธพุโทโธไปในทุกิริยาบท ไม่ว่ากำลังจะทำอะไรยืนเดินนั่งนอนก็หัดพุทโธพุทโธพุทโธไปดึงใจไว้ให้อยู่กับร่างกายอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ใหม่ๆมันก็ไปแล้วก็ดึงมันกลับมาชักกระเยอะกันไปชักกระเยอะกันมาต่อไปสติมีกำลังมากขึ้นมันก็จะดึงให้ใจนิ่งมากขึ้นเองใจมันก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้น้อยลงไป แล้วพอเวลามานั่งสมาธิมันก็จะรู้สึกไม่อึดอัดเหมือนตอนเริ่มต้นจะรู้สึกนั่งแล้วกลับสบายเยน็นมีความสุขพอได้สัมผัสกับประโยชน์ที่ได้จากการนั่งสมาธิก็จะมีกำลังใจอยากจะนั่งให้มากขึ้นอยากจะฝึกสติให้มากขึ้นก็จะพยายามฝึกพุทโธพุทโธไปทั้งวันนะไม่ว่าจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไป ถ้าต้องทำงานที่ต้องใช้ความคิดก็หยุดพุโทโธไว้ชั่วคราวแล้วก็มามีสติอยู่กับงานที่เรากาลังทำอยู่พอไม่ต้องพอไม่ต้องใช้ความคิดก็หยุดคิดถ้ามันไม่ยอมหยุดแล้วก็ใช้พุโทโธพุธโทโธต่อไปทำอย่างนี้แล้วจะมีสติมีกำลังที่จะทำให้ใจนี้ไม่ดิ้นไม่คิดอะไรเวลานั่งมันจะไม่รู้สึกทรมานที่เวลานั่งใหม่ๆแล้วรู้สึกทรมานเพราะใจมันดิ้น ใจเหมือนดิงอ่ะถ้าจับดิงเข้าไปในกองเนี่ยดิงที่ไม่เคยติดอยู่ในกองง้นมันจะละวาดใหญ่ฮะแต่ถ้ามันสู้กองไม่ไหวเดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดเองอันนี้ก็เหมือนกันใจมันใหม่ๆมันจะดิ้นเพราะไม่มีสติต่อไปเราฝึกสติมากขึ้นมากขึ้นมันสู้สติไม่ได้เดี๋ยวมันเหนื่อยมันก็หยุดดิ้นเองพอมันหยุดดิ้นเวลานั่งสมาธิแล้วจะรู้สึกเบาสบาย กับมีความสุขมากกว่าเวลาไม่ได้นั่งพอมันถึงจุดนั้นแล้วมันจะเริ่มติดใจแล้วมันจะเริ่มรู้แล้วว่าความสุขของเราอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่การมาทำใจของเราให้นิ่งให้สงบนี่เองเมื่อก่อนเราคิดว่าความสุขของเราอยู่ที่การไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปทำอะไรต่างๆแต่มันเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะเวลาที่ทาไม่ได้เรารู้สึกอย่างไร เวลาจะไปเที่ยวไปเล่นไปดูไปฟังไปทำอะไรแต่ไปทำไม่ได้เช่นไม่สบายหรือไม่มีเงินหรือต้องไปทำงานเวลานั้นมันไม่มีความสุขหรอกแต่ถ้าเรามาฝึกทำสมาธิได้เนี่ยเราไม่ต้องมีเงินเราก็ทำได้นั่งกายเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ทาได้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนั่งไม่ได้ต้องนอนอยู่บนเตียงก็ยังทำได้อยู่ เพราะเรายัางทำพุโทโธพุธโทโธได้ไม่ว่าจะอยู่ในเอรียบทไหนความเจ็บของร่างกายก็จะไม่มาลบกวนใจของเราเพราะใจของเราไม่เจ็บไปกับร่างกายใจของเรามีความสงบมีความสุขพอเห็นประโยชน์จากการภาวนาเห็นประโยชน์จากการฟังเทศฟังธรรมว่าเป็นตัวที่จะคอยรักษาใจของเราให้ตั้งอยู่ในความสงบ ไม่ให้วุ่นวายใจไม่ให้หิวไม่ให้โหยไม่ให้อยากได้กับสิ่งต่างๆทั้งหลายก็จะทำให้เร า, เ อ, าอยากจะทำให้มากขึ้นอยากจะทำให้มันเต็มร้อยนั่นหละตอนนั้นแ่ะคนจะเริ่มคิดถึงการออกบวชนะเพราะรู้ว่าเป็นค า, า, ารวะนี่มันมีขีดจำกัดเป็นให้ค า, า, ารวะเวลามันไม่พอต้องแบ่งเวลามาทำงานทำการเลี้ยงปากเลี้ยงทองเลี้ยงครอบครัว แต่ถ้าไปบวชนี้ไม่มีภาระเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับถ้าอยากจะได้รับปริญญาทีนี้ก็ต้องไปบวชกันแล้วก็ต้องไปหาวัดหาครูบาอาจารย์ที่สอนเรื่องการปฏิบัติรับรองได้จะไม่ไปบวชตามวัดที่มีงานศพงานสวดมีบุญบางสังส่วนนี่รับรองได้จะไม่ไปโดยเด็ดขาดเพราะรู้ว่าที่นั่นมันไม่มีธรรมะ มันมีแต่เปลือกของธรรมมีแต่ผิวของธรรมนั้นเองแต่เนื้อธรรมไม่มีเวลากินผลไม้เราจะเอาเนื้อเรือเอาเปลือกของผลไม้เวลาเราเอาธรรมเราจะเอาเปเลือกหรือเอาผิวของธรรมเราก็ต้องเอาเนื้อของธรรมผิวของธรรมเราไม่เอาเนื้อของธรรมก็อยู่ตามวัดที่มีการปฏิบัติภาวนาเนี่เองมีการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญา เรียกว่าวัดที่มีพระทูดงกรรมฐานนี่เองพระธุูดงก็คือปฏิบัติข้อทูดงขวัตต่างๆกรรมฐานก็คือการภาวนาด้วยกรรมฐานชนิดต่างๆนี่เองเราจึงเรียกว่าพระปฏิบัติว่าเป็นพระธุูดงกรรมฐานพระเหล่านี้นี่แหละผู้เป็นผู้ที่จะไปรับปริญญากันถ้าท่านสู้ไม่ถอยท่านปฏิบัติแบบไม่หยุดไม่หย่อนแล้วมีครูบาอาจารย์ที่ดีคอยแนะแนว สมัยนี้ถึงแม้ว่าท่านไม่มีชีวิตอยู่ท่านทิ้งหนังสือคําสอนไว้เยอะแยะเนี่ยหนังสือต่างๆที่หลวงตามหมาบัวเขียนไว้เนี่ยเป็นหนังสือที่เราสามารถยึดแทนตัวท่านได้อ่านหนังสือที่ท่านเขียนแล้วเราจะรู้จักวิธีที่จะกําจัดกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากายได้ขอให้เรามีโอกาสเท่านั้นคือขอให้เราได้บวชเท่านั้น ถ้ายังไม่ได้บวชนี้มันโอกาสมันมีเหมือนกันแต่มันไม่เต็มร้อยมันสู้พวกที่บวชไม่ได้พวกที่เรียนนอกห้องเรียนกับเรียนในโรงเรียนนี่ไม่เหมือนกันพวกที่ไปมหาลายัยเรียนในห้องเรียนนี้จะจบตามเวลาที่เขากําหนดไว้ถ้าเรียนนอกห้องเรียนนี้บางทีมันนีก็อาจจะมีเวลาไม่พอบ้างไป ท, ทําธุระอย่างอื่นบ้างแทนที่จะจบตามเวลาอาจจะยาวไปสองเท่าบางคน อาจะจบอาจจะต้องเจ็ดปีแปดปีเพราะไม่ได้ทําเต็มที่ทชีวิตของคาราวาสก็แบบนี้ไม่สามารถทําเต็มร้อยได้ถ้าอยากจะทําเต็มร้อยนี้ต้องไปบวชกันจึงมีผู้เป็นคาราวาสมาเปลี่ยนอาชีพเป็นนักบวชกันเยอะแยะแล้วดูประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็เป็นคาราวาสเหมือนเราแต่ท่านรู้ว่าเป็นคาราวาสมันไม่พอเวลาไม่พอต้องเป็นบวชต้องเป็นนักบวชก็เลยไปบวชกัน พอบวชกันแล้วก็รับปริญญากันใตายไปก็กระดูกก็เป็นพระธาตุเนี่ยเป็นเครื่องยืนยันว่าท่านได้รับปริญ ญ, ญาแล้วท่านได้เรียนจบแล้วท่านไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพวกเราอีกต่อไปแล้วนี่แหละคือเรื่องของการมาทบทวนพฤติกรรมต่างๆที่เราได้มากระทำกันมาตลอดทั้งปีตั้งแต่วันที่หนึ่งของปีที่แล้วของปีนี้ถึงวันที่สามสบของปีนี้ เราได้ทาบุญทาบาปมากน้อยอย่างไรเราได้ทาทานศีลภาวนามากน้อยเท่าไหร่หรือเราไม่ได้ทำทานศีลภาวนามากน้อยเท่าไหร่อันนี้เราเป็นสิ่งที่เราต้องมาตรวจบัญชีกันดูถ้าทำน้อยปีหน้ามาตั้งสัจจะทิ่ฐานว่าจะทำให้มากขึ้นขอปีนี้แล้วมันจะได้กำไรขึ้นไปเรื่อยๆถ้าทำน้อยลงไปเรื่อยๆมันก็จะขาดทุนเดี๋ยวมันก็จะติดลบได้ ตายไปมันก็แทนที่จะไปสู่สุขติมันก็จะไปสู่ทุ ก, กติดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงมาสำรวจดูพฤติกรรมที่ท่านได้ทำกันมาตลอดทั้งปีดูว่ากำลังกำไรหรือกำลังขาดทุนแล้วมาตั้งเป้าตั้งแผนสำหรับในปีหน้าทำให้มากขึ้นแล้วทำความดีให้มากขึ้นทำบาปให้น้อยลง แล้วรับรองได้ว่าจิตใจของเราจะมีแต่ความจเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกากปติ อิติตังปะติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพโรโขวินาสตุ มาเตผวะตวันตารายุสุขีทีคายุโกผวะอภิวาธนศิลิษะนิจังวุทธาปจายโนยัตารโอธรมมาวะทานติอายุวันโอสุขังภาลัง ช่วงต่อ น, นี้ไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามทางธรรมฟังแล้วไม่เข้าใจอยากจะให้ขยายความหรือออย่างไรก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าจะถามเองก็ขอเชิญขึ้นมาพูดผ่านทางไมโครโฟนถ้าไม่อยากจะขึ้นมาก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยหนึ่ง7ูหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดวิทยุออนไลน์สิบเก้ารับฟังข้างบนนี้สองร้อยหกสิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดสิบสองครับอันนี้อาจจะเป็นสถิติได้นะวันก่อนเจ็ร้อยเจ็ดสิบวันนี้เจ็ดร้อยแปดสิบอยากจะถามก็ถามหรือเปล่าเดี๋ยวมาทางนี้ได้ไหมจะได้ใกล้ใกล้ไมโครโฟนหน่อยมาทางด้านนี้เลย กรรมกางครับอถ้าเกิดว่าเวลาที่เรามีอารมณ์ที่เหมือนกับมีคนที่มาอาจจะด่าเราโดยตรงหรือว่ามามีทําให้เราเสียหายโดยตรงรอะครับแล้วอารมณ์เราคือเราไม่ให้อภยัยแต่ว่าคุณจะทําอะไรก็เป็นการของคุณพูดง่ายคือเรามีอุเบกขาเอาเประเด็นคือแต่เหมือนกับว่าคือถ้าเกิดเขามาขอเราช่วยหรือภายหลังเราก็จะไม่อยากช่วยแล้เราก็ไม่ให้อภยัย แต่เราไม่ยู่งเราไม่ยิ่ของคุณยุ่งจะตกโรกจะอะไรก็เรื่องของยูอความเปรียบคายอย่างนี้ครับอย่างนี้ก็เรียกว่าอภัยละถ้าเราไม่ไปทำโทษเขาไม่ไปเอาเรื่องของเราเขาก็เรียกว่าเราให้อภัยเขาแล้วไม่เอาเรื่องไม่ไม่ลงโทษเขาไม่อะไรก็ถือว่าให้อภัยแต่การช่วยเหลือนี้เป็นการให้ความเมตตาถ้าไม่ได้ช่วยเหลือเขาก็ไม่ได้ให้ความเมตตาแต่ให้อภัยนี่คือการไม่ไปทำร้ายเขาไม่ไปตอบโต้เขาออ จำเป็นที่จะต้องพัฒนาให้เรามีเมตตากับเขาไหมครับหรือว่าแค่อุเบกขาอย่างเดียวก็พอแล้วก็ทําได้เท่าไหร่ก็ทําไปก่อนถ้าจิตใจเราพัฒนาขึ้นไปก็อาจจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้าให้อภัยแล้วก็ยังช่วยเหลือเขาใต้ช่วยเหลือองค์คุลิมานเห็นไหมองค์คุลิมานจะพยายามฆ่าท่านก็ให้อภัยไม่ล้งไม่ตอบโต้ไม่ทําร้ายเขาเรายังช่วยเขาอีกให้ความเมตตา สั่งสอนธรรมะให้กับเขาอันนั้นเป็นจิตของพระอาหารหันต์จิตของพระพุทธเจ้าแต่จิตปุถุชนเรายัางทำไม่ได้ก็ก็อย่างน้อยก็อย่าไปทำร้ายเขาก็แล้วกันอย่าไปโต้ตอบอย่าไปรังแคลนนี่เรียกว่าให้อภัยแต่ลงช่วยเหลือเขาไม่ได้ก็ใช้อุเบกขาไปก่อนถ้ายัางไม่มีเมตตาธรรมก็ใช้อุเบกขาธรรมไปก่อน แล้วอย่างเวลาที่เราจะได้ได้อะไรมาที่มันสําคัญนะครับเข้าใจว่าทุกอย่างก็คือเป็นไปด้วยบุญหนุนนํามาบุญในการที่เราได้อะไรมากับบุญที่เรารักษาของสินนั้นเอาไว้เนี่ยมันมันคนละส่วนกันหมายความว่าเราอาจจะได้มาละแต่ว่าการถ้าจะรักษาเอาไว้เราก็ต้องทําบุญเพิ่มเพื่อที่จะรักษาอนันต์ไว้ได้อย่างนี้หรือเปล่าครับรอาจารย์มันก็ การทําบุญวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลทันทีในในพบนิชาตินี้มันเป็นการลงทุนเพื่อพบหน้าชาติหน้ากันมากกว่าส่วนสิ่งที่เราได้มาจะอยู่กับเราได้นานหรือไม่นานก็เป็นบุญเก่าที่เราทํามาถ้าทําบุญมาน้อยอาจจะอยู่กับเราไม่ได้นานก็จากเราไปก็ได้สมมุติพูดง่ายๆถ้าเกิดเอา ง, ง่ายง่ายยกตัวอย่างถ้าเกิดเห็นภาพคือจาก คนธรรมดาถูกหวยสาสิบล้านอย่างเงี้ยครับ อ, อันนั้นคือบุญเราได้มาแล้วแต่ว่าการที่เราจะได้เงินมาสามสิบล้านแล้วเราใช้ได้อย่างมีความสุขแบบคนทั่วไปไม่ได้ถูกแย่งชิงไม่ได้ไปเลี้ยงจนหมดหรืออะไรเนี้ยคือเราต้องทําบุญมาเสริมด้วยไหมครับคือคำถามก็ต้องมีบุญเก่าบุญเก่าที่จะสอนให้เรารู้จักรักษาเงินทองไว้ความประหยัดมัธยัสถ์เนี่เป็นบุญอย่างหนึ่งการใช้เงินด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ใช้เงินด้วยตามความอยาก อันนี้ก็เป็นบุญอย่างนะถ้าถ้าเขามีเขาก็จะสามารถรักษาทรัพย์ของเขาไวได้ถ้าก็ไม่มีความประหยัดมัธยัสถ์ไม่มีการควบคุมการใช้เงินทองด้วยความอยากเดี๋ยวได้มาได้ไม่นานก็หมดถ้ายังมีความอยากควบคุมความอยากไม่ได้เห็นอะไรก็ซื้อมันใช้มันไปเดี๋ยวไม่นานมันก็หมดได้ส่วนใหญ่มันอยู่ที่บุญเก่าที่เราทำมา นอกจากว่าถ้าเรามาเปลี่ยนมามาทำตอนนี้ได้ก็ดีถ้าได้เงินมาแล้วรู้ว่าเงินนี่หายากต้องรู้จักรักษาเ mm. ช่นเอาไปลงทุนเอาไปฝากธนาคารเอาไปทําอะไรที่ทําให้มีดอกผลขึ้นมาเพิ่มขึ้นแล้วพยายามใช้กับสิ่งที่จําเป็นอันไหนไม่จําเป็นก็อย่าไปใช้มันเช่นอบายามุขต่างๆสุรายาเมาเล่นการพนันเที่ยวเตะอย่างนี้ ถ้าเอาไปใช้กับบายามุกเดียวมันก็หมดนะอันนี้จะไปเรียกว่าบุญใหม่ก็ได้แต่มันถ้ามันไม่มีนิสัยมาทางนี้มันก็ยากถ้ยังชอบเล่นการพ น, นันชอบดื่มสุราชอบเที่ยวอยู่พอมีเงินมันก็ไปแล้วครับแล้วที่บอกว่าในอัมบายามุคกครับมีข้อหนึ่งที่เหมือนกับเคยอ่านมาแล้วเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าการที่เราขี้เกียจคร้านไม่ทํางานก็เป็นอับายามุกอย่างหนึ่ง เราควรนะอาจารย์ช่วยขยายความหน่อยครับว่าทำไมถึงเป็นอัมบายยมุกอะครับเพราะความเกลียดค้าไม่สามารถผลิตรายได้นั่นเองการที่เราจะอยู่อย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขไม่ต้องไปทําบาปไปรักขโมยเงินทองของผู้อื่นก็คือเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรในการทํางานทําการหาเงินหารายได้ถ้าเราขี้เกียจเราไม่ทํางานพอเราต้องการเงินเราก็ต้องไปใช้การขโมยบ้างไปช่อโกงบ้างโกหกหลอกลวงบ้าง อันนี้ก็เป็นอบายยมุกเนี่ยอบายยมุกนี่คือการกระทําที่ไม่ไม่สร้างไรายได้มีแต่มีรายจ่ายดื่มสุราก็มีรายจ่ายไม่มีรายได้เล่นการพนันก็ส่วนใหญ่ก็เจ๊งเที่ยวก็มีแต่รายจ่ายไม่มีรายได้ขี้เกียจก็ไม่มีรายได้รายจ่ายก็มีเป็นประจำมันต้องใช้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วก็เลยถือว่าเป็นอบายยมุก แล้วถ้าเกิดว่าสมมติเราพยายามที่จะคืออย่างถ้าถ้าเรารู้ว่าเราในระยะอันไม่ยาวเราต้องยังเป็นคารวาสอยู่แต่ว่าเราพยายามที่จะสร้างสภาพแวดล้อมให้เราปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นอย่างเช่นก็ตวยอย่างเราแบบพยายามจะทำมาหาได้เก็บหอมรอมริบลงทุนเพื่อที่จะมีอิสรภาพทางการเงิน เพื่อที่เราจะได้มีเวลาส่วนตัวในการปฏิบัติธรรมมากขึ้นรักษาศีลให้ได้มากขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องโดนบีบคั้นจากสภาพแวด้อมการทํางานประจําอะไรอย่างเนี้ครับออการที่เราพยายามทําแบบนี้เนี่ยมันถือเป็นการขี้โกงไหมครับไม่โกงก็เป็นการวางแผนเนี่เราต้องการที่จะเดินไปในทิศ ท, ทางใดเราก็ต้องรู้ว่าจะไปได้อย่างไรเราก็ต้องมีเวลาปฏิบัติเราก็ต้องลดการทํางานให้น้อยลงที่มีการลดการ การที่เราจะทำงานให้น้อยลงนี้มันก็มีสองวิธีใช้เงินให้น้อยลงแต่ถ้าเรายังไม่ลดการใช้เงินให้น้อยลงเราก็ต้องทำมากเพื่อจะเก็บไว้ใช้ในภลายภาคหน้ามันก็จะทำให้เรายังต้องทำงานมากอยู่ไปหน่อยแต่ถ้าเราลดรายจ่ายได้นี้การใช้เงินก็จะน้อยลงไปการต้องหาเงินก็จะน้อยลงไปใครับเท่านี้ครับอรเออออ สิ่งเหล่านี้ทุกคนต้องวางแผนแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ต้องวางแผนก่อนจะออกบวชได้ไม่ใช่พอจะตัดสินใจบวชก็ไปเลยก็ยังต้องวางแผนดูจังหวะดูเวลาดูโอกาสดูกําลังของตนว่าพร้อมหรื อ, อยังแต่ละคนก็มีเพตปัจจัยไม่เหมือนกันที่นี้ถ้าถ้าพูดถึงเรื่องนี้คือการที่เราทําอะไรโดยเราคํานึงถึงคนอื่นเช่นสมมติเรามีภรรยาแล้ว เราคิดว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ระดับหนึ่งในเพศคารวาสและยังสามารถที่จะดูแลครอบครัวได้เืาเรียกว่าไม่ใช่ว่าอยากบวชแล้วก็บวชเลยเราไม่ถึงไม่โดยที่ไม่คิดถึงคนอื่นนะครับว่าเรายังมีภาระอยู่อย่างเนี้ยครับมันไม่รู้จะคิดยังไงว่าสุดท้ายแล้วคิดแบบไหนมันถึงจะเหมาะสมกันก็บ้องหลับตามความเป็นจริงว่าทุกอย่าง ต้องมีวันสิ้นสุดลงความสัมพันธ์กับใครก็ตามไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงสิ้นสุดได้หลายวิธีด้วยความสมัครใจของทั้งสองฝ่ายก็มียากันไปสิ้นสุดเพราะคนหนึ่งตายไปอย่างนี้มันก็มีการสิ้นสุดลงงั้นอย่าไปถือว่าการสิ้นสุดลงเป็นสิ่งที่ที่ร้ายกาจมันไม่ร้ายกามันต้องเกิดขึ้นครับ หมายถึงว่าคือสมมุติว่าเหมือนกับเราซาบซึ้งในน้ําใจที่เขาทําดีกับเรามาเนี่ยครับแล้วเราเหมือนกับเราไม่สามารถที่จะทิ้งเขาไปได้เพราะว่ารู้ว่าเราอาจจะเป็นสลักให้เขาเอางเนี้ยครับการที่ก็เ ร, กเราก็ต้องเราก็ต้องจากเขาไม่ไม่ช้า ก, ก็เร็วอยู่ดีไม่ใช่นะวันดีคนดีเราไม่สบายเราตายไปไปประสบอุบัติเหตุ mm hmm. ก็ต้องทิ้งก็อยู่ดีถึงแม้ไม่อยากจะทิ้งก็ต้องทิ้ง ทีเราต้องคิดว่าการที่เราไปปฏิบัตินี่มันเป็นประโยชน์กับเราหรือไม่อย่างไรถ้าเราอยู่กับเขาเราไม่ได้ปฏิบัติเราก็ยังเหมือนติดคุกต่อไปถ้าเราอยากจะออกจากคุกเราก็ต้องไปแต่าการไปนี่เราสามารถกลับมาช่วยเขาได้ต่อไปช่วยเขาออกจากคุกเหมือนเราได้เหมือนพระพุทธเจ้าหลังจากที่ทรงบรรลุแล้วก็กลับไปช่วยญาติพี่น้องให้ออกพ้น ออกออกจากทุกได้กันเยอะแยะออกจากคุกได้พ่อก็เป็นพระอรหันต์แม่ก็เป็นพระโสดาบันลูกก็เป็นพระอรหันต์แม่เลี้ยงก็บวชเป็นพระอรหันต์กันเยอะแยะไปหมด<า>เขาจะอาศัยเราเขาจะได้รับประโยชน์มากกว่าการที่เราอยู่กับเขาประโยชน์ที่เราให้เขาตอนที่เราอยู่เป็นประโยชน์ทางร่างกายเท่านั้นเองแต่จิตใจของเขาต้องติดคุกต่อไป แต่ถ้าเราไปบวชได้แล้วเราไปปฏิบัติได้พอเราบรรลุเราสามารถที่มันจะช่วยให้เขาได้บรรลุได้เพราะเขาจะกล้าเข้าหาเราเพราะเรารู้จักเขาเขารู้จักเราเขาอยากจะถามอะไรเขาอยากเข า, าจะได้ถามได้อย่างเต็มที่ถ้ากับคนอื่นเขาอาจจะไม่กล้าพูดกล้าถามถ้าเกิดว่าเราโชคดีเราสามารถอยู่กับเขาแล้วเราปฏิบัติทําได้แล้วเขากล้า แล้วเขาเจริญทางธรรมได้ขึ้นได้รวยตามเราไปอย่างนี้ก็คือว่ายังโอเคใช่ไหมครับก็โอเคเดี๋ยวก็ไปบวชพร้อมกันเนี่ยในที่สุดก็ต้องบวชด้วยกันเนะเพราะเป็นคาราวานี่มันยังเวลาไม่พออเสียงแวดล้อมมันไม่พอมันไม่ได้เหมือนกันแต่โอกาสเหมือนหนึ่งในร้านไปบวชมันหนึ่งในสิบอย่างเงี้ยโอกาสมันต่างกันเยอะแต่ถ้าอยากจะอยู่กันต่อไปก็ไม่ว่าอะไรก็ อันนี้พูดเพียงแต่พูดทางเล่า อ, อีกทางหนึ่งถ้าคุณคิดว่าอยู่ด้วยกันรักกันไปหรือจะต้องรอให้เขาไปมีแฟนใหม่ออบไปมีแฟนโดยที่เราไม่รู้ก่อน <c oughs> เดี๋ยวตอนนั้นความดีต่างๆที่เขาทาให้เราหายไปหมดเลยเพียงแต่ทําผิดเรื่องเดียวเนี่ยความดีเป็นร้อยเรื่องหายไปหมดเลยเกิดไปแอบไปมีแฟนเ่าตอนนั้นเนี่ยความดีที่เราเคยคิดว่าทําให้เราอยู่กับเขานี้หายไปหมดเลย ขอบคุณมากครั บ, รบ <laughs> อันนี้ไม่ว่าจะเกิดนะเพียงแต่พูดเผื่อไว้ฮห้ถ้าไม่เกิดก็ดีเกิดก็ดีเกิดจะได้ไปได้ <laughs> ถ้าไม่เกิดก็ยังต้องอยู่ต่อไป <laughs> <laughs> อ่าเตียงคำถามอะไรคำถามนะอ่าตอบไปเลยทงนาที <c oughs> คำถามจากทางบ้านจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามครับ ถ้าอยากจะถามมาทางนี้ทางบันไดนี้ดีกว่านะเดี๋ยวจะได้หยิบามาก่อนต่อไปถามไ้ก่อนที่พระอาจารย์เทศเรื่องการทำบุญมากจะได้ผลบุญมากทำน้อยจะได้น้อยจึงต้องการเร่งทำบุญให้มากเพราะอายุ94ปีแล้วและมีหลายโรคสุขภาพเสื่อมโทรมลงตามอายุไขจิตไม่ปล่อยวางหงุดหงิดอยากจะเร่งโกยบุญให้มากใส่บาตรเองทุกวันอาทิตย์ต้องการใส่ทุกวัน และฟังเทศพระอาจารย์ทุกวันจึงจ้างให้คนอื่นใส่แทนคำถามที่หนึ่งนะครับการทำบุญแบบนี้แฝงด้วยกิเลสและเบียดเบียนคนอื่นใครจะได้บุญมากกว่ากาันคนสั่งหรือคนใส่ครับออก็ได้นยเพราะว่าการสั่งก็ทำบุญไม่ใช่เป็นการเสียหายคนรับจ้างก็ได้ได้รายได้เราก็ได้ทำบุญตามที่ต้องการแล้วเราก็มีเวลาที่จะมาฟังเทศฟังธรรม นั้นไม่ถือว่าเป็นการกระทําที่เสียหายแต่อย่างใดแต่ถ้าจะให้ดีจริงๆก็ถ้าเราเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติแล้วเราก็สามารถหยุดการทําบุญให้ทานได้เพราะว่ามันได้บุญน้อยกว่าการมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมฉะนั้นเราก็สามารถแลกได้แล ก, กเปลี่ยนกันได้ถ้าเราเข้าสู่กระบวนการของการฟังธรรมสู่การปฏิบัติธรรม แล้วก็อยู่คล้ายๆเหมือนกับเป็นนักบวชไปเรื่องการทำบุญทำทานเราก็หยุดไปก่อนก็ได้หรือถ้าเราอยากจะทำสมัยนี้ก็ทำแบบง่ายๆก็ได้โอนเงินเข้าผ่านทางมือถือเลยแปบ๊บเดียวไม่ต้องไหว้วานใครขอให้รู้จักเลขบัญชีของพระที่เราต้องการทำด้วยของวัดที่เราต้องการทำด้วยแล้วก็จัดการโอนได้ทันทีครับคำถามต่อเนื่องนะครับจิตไม่ปล่อยวางเลยหุดหงิดง จุกจิต ก, กับทุกเรื่องทุกคนรอบข้างฟังเทศแล้วจิตไม่นิ่งวุ่นวายไม่สงบไม่พุทโทเลยครับรับสภาพความเป็นจริงได้ยากฟังเทศพระอาจารย์ตั้งแต่ตื่นนอนจนก่อนนอนกลางคืนบ่ายสองออนแอร์นอกนั้นฟังข่าวทางโทรทัศน์จิตจึงไม่สงบ อ, อ, อย่าไปฟังเรื่องทางโลกเรื่องทางโลกมันกวนจิตกวนใจนยพยายามระงับอย่าไปหาเรื่องทางโลกมา สร้างความวุ่นวายใจให้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็หัดพุดโทโธไปก็ได้สวดมนต์ไปก็ได้ตติเรายังมีกำลังน้อยอยู่มันก็เลยยังไม่สามารถควบคุมความลำคาญใจได้ดังนั้นต้องฝึกสติพุโทโธพุโทโธให้มากขึ้นหยุดความคิดกความอยากให้น้อยลงไปแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีความสงบมากขึ้นเองอาเชิญถามได้ กรับค่พระอาจารย์ครับผมโกแฮนเมธช่างทำผมเมื่อวานนี้ได้มาแล้วกลับไปบ้านก็พิจารณาเรื่องของทานวิยาทานธรรมทานแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอภัยทานเราผ่านด่านมาได้หมดแต่คราวนี้เรากลับมามองสังขารของตัวเองมองจิตเวลามันไปไหนมาไหนหูตาจมกูกิลนกายใจมันสามารถที่จะจพุพบ่บแผลพุพบ่บแผลได้ตลอดเวลาตาลืมตาหลับสัญญาณเห็นสัญญาณหยุด โหได้ยินโหไม่ได้ยินสัญญาณเตือนสัญญาณดับตลอดเวลาคราวนี้เวลาเราทํางานกับลูกค้ามีด่านแรกคือลูกค้ากับเราและตัวเราเองยังต้องมาเจอด่านของเรากับเราตอนทําผมและสมาธิหลุดออกไปข้างนอกเช่นเวลาทําแพทเทิร์นผมอยู่มันน่าจะคิดถึงเรื่องแพทเทิร์นผมยังก้าวไปเที่ยวกับสิ่งต่างๆนานา น, นอกนอกตัวได้อยากจะถามอาจารย์ว่าความละเอียดอ่อนนี้จะต้องจัดการกับมันยังไง มันต้องจะอยู่ที่และอยู่หมัดเัาก็ต้องใช้สติเราต้องใช้สติดึงใจให้อยู่กับงานที่เราทำเช่นมันจะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็พุทโธพุทโธดึงกลับมาทำงานไปก็พุทโธกลับกลับไปถ้าไม่ต้องใช้ความคิดกับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็พุทโธพุทโธอย่าให้มันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ให้มันคิดอยู่กับเรื่องงานที่เราทำอยู่อย่างเดียวต้องใช้สติดึงกลับมาเท่านั้น สติจะหยุดความคิดความอยากต่างๆได้ยันต้องมันฝึกสติไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เราต้องการใช้มันเวลาที่ยังไม่ต้องการใช้มันก็ต้องฝึกไว้ก่อนถ้าไม่ฝึกเดี๋ยวเวลาจะใช้มันใช้ไม่ได้เหมือนนักมวยต้องซ้อมชกไว้ก่อนพอถึงเวลาจะชกจะได้ชกได้ถ้าไม่ซ้อมชกไว้ก่อนพอถึงเวลาจะชกชกไม่ออกเวลาฝึกสติเราจึงควรจะฝึกทั้งวันทั้งทุกเวลานาที ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธเลยลุกขึ้นมาไปเข้าห้องน้ำไปทํากิจในห้องน้ําล้างหน้าล้างตาแปรงฟันก็พุโทโธไปอาบน้ําก็พุทธโธไปแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธไปถ้าอย่างนี้อารมณ์ต่างๆความคิดต่างๆมันจะไม่เข้ามาครับพระเจรศบถามพระอาจารย์หนึ่งคำถามเรื่องปาถนาไม่ปรารถนาในเมื่อเราซ่อนความปาถนาไม่ปาถนาแล้วจะให้มันอยู่ที่มัจจยุต่าสายกลาง ตอนดำเนินไปหันไปหันมาก็ยังมีความอยากได้ในเมื่อเราเป็นคนขับเค ล, ลื่อนรถเราก็ยังอยากได้รถแพงๆหรูๆทั้งๆที่มันเป็นรถทั้งๆที่ตัวเราเองก็ทราบว่าธรรมะนั้นเวลาเกิดขึ้นมันจะเสะถียรอยู่ตรงกลางไม่ใช่สุขและมีทุกขมาเป็นเครื่องขัดแตะตอนเราทำโลกก็ะทำแปดเรารู้ว่าสุขทุกสันเริญนินทาเวลาเราได้ทาข้อนี้เราจะเสะถียรอยู่ในตรงกลาง ไม่เสซ้ายไม่เสขวาแต่ปารถนากับไม่ปรารฏนาหลายกาศละเกินอาจารย์ประทานโทษขอถามว่าตอนเราปาฏนาไม่ปารถนาแล้วจะยิงให้มันเป็นธรรมะให้อยู่ตรงกลางให้เป็นมัชมะปฏิปตาจะทําอย่างไรครับก็สตินี่แหละก็พุโทโธนี่แพอพุโทโธพุโทโธมันก็จะหยิดความปารถนาไม่ปรารถนาได้แล้วมันก็จะกลับมาอยู่ตรงกลางได้เป็นอุเบกขาได้ สติเนี่ยแหละเป็นตัวที่จะดึงจิตให้เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าบอกสตินี่เป็นธรรมที่สำคัญที่สุดพยายามฝึกสติไปแล้วจิตก็จะเข้าสู่มัชฌิมาทางสายกลาง ต, ตอนนี้ที่เรายังทำไม่ได้เพราะเรายังอดหนักมากใช่ไหมครับอาจารย์ใช่เราไม่ใช้สติไม่ไม่ฝึกสติกันปล่อยให้ใจลอยไปลอยมาตามอารมณ์ต่างๆ แต่ตอนนี้ก็บีบคั้นเรื่องความเป็นทางโลกหน้าดูเพราะว่าโอเป็นช่างเสริมสวยมีเพื่อนแบบวิดไว้กระตู้วทุกวันทุกวันนี้กลับมาเป็นคนนอนเสือไม่กินเหล้าไม่สูบะลี่ไม่เที่ยวหันไปหันมาทุกวันเนี้ยกลายเป็นคนพูดน้อยลงน้อยลงเมื่อก่อนพูดทั้งวันเลยเหมือนนกหันไปหันมาทุกวันนี้ไม่ค่อยพูดแล้วก็ใช้แต่สีตาแล้วก็กลายเป็นคนแบบช้าช้าทั้งๆั้งที่ มันก็แปลกไปอาจจะเป็นอายุเยอะหรือว่าเป็นตัวอื่นครับอาจารย์อ๋อมันช้าแต่มันไม่เฉยหรอกมันช้าแต่มันไม่เฉยมันว่องไวอะไรมาปั๊บในใจมันจะรู้ทันทีเห็นมันมันอาจจะรู้จักมันช้าจากในการกระทํากรรมต่างๆแต่ในการในการรับรู้ต่างๆมันจะว่องไวมากจิตที่มีสติมีธรรมนะเั้นช้าแบบนี้ไม่เสียหาย ไม่เป็นไรนะครับไม่เป<ช>็นไรไม่ใช่ต <ไป S 1> ่อตัวสุดท้ายคําถามของคนอื่นครับเวลาที่เราเห็นเกิดแก่เจ็บตายเป็นอาวุธด่านหน้าเห็นนาสุภะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขี้หูคี้ตาแล้วเราเห็นพ่อแม่แก่ตามวาละนั้นๆตอนท่านแก่เราดูแลท่านที่สุดแต่เราไม่สามารถจะช่วยอะไรตั้งหลายๆอย่างได้เพราะฉะนั้นการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราเจ็บใจที่สุดในขณะนี้เราอายุห้าสิบห้าพอหันไปหันมาเราจะแก่ขึ้นเรื่อยๆ มีวิธีอะไรที่จะทําให้เรารู้จักกับความแก่และเป็นทางลัดว่าเราจะไม่กลัวมันทำไมอาจารย์ครับเราจะไม่กลัวมันก็ reactors, เนี่ยต้องฝึกสติฝึกสมาธิไปแล้วพอจิตเข้าสู่อุเบกขาแล้วมันจะปล่อยวางได้ทุกอย่างที่สติตัวเดียวนั้นที่จะแก้ปัญหาทางจิตใจของเราได้ขั้นต้นพอได้ขั้นสติแล้วก็ใช้ขั้นปัญญาเพื่อที่จะกําจัดปัญหาอย่างถาวรต่อไป